ยยเรื่องพระเวสัดนดรโกหกจ้างผมก็ไม่เชื่อเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งช่วยยายหอา่อข้าวต้มหัวหงอเพื่อนําไปขายยังตลาดในวันรุ่งขึ้นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายไม่จ้างเองรอกเพื่อได้เงินยายตอบด้วยสีหน้าและน้ําเสียงปกติถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อ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 ไม่ให้ร้อนแล้วพูดว่าเรื่องของศรัทธาภาษาทเนี่ยเขาไม่ต้องจางกันหรอกหลานเอ้ยมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมของแต่ละคนคนที่เขาทำกรรมมาดีเขาจะมีปัญญาสูงมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงส่วนคนทำกรรมชั่วจะอับ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 เมื่อถูกหลานชายชมยายพลอยมีอารมณ์ขันนั่นสิครับแถมยายยังรักผมเหมือนลูกในไส้จริงไหมครับแต่เวลาเองดือ้อคอยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ยายก่อนนึกว่าเองเป็นลูกคนอื่นยายสารภาพต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นอย่างนั้นยายจะได้นึกว่าผมเป็นลูกของยายดีไหมครับ เด็กผมแกละถือโอกาสประจบดีถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วก็ดีทีหนึ่งเลยเทียวแหละแต่พ่อผมเขาคงไม่ว่าดีหรอกนะถ้ายายมาเป็นแม่ผมนะ่ะทำไม่หรอเขาคงไม่อยากมีเมียอายุตั้ง8ปดสิบนะสิครับถ้าส8ปดยังพอว่าเด็กผมแกละพาออกนอกเรื่องจนได้ไอ้หนู เอ็งอย่าคิดหลามกจกกับเปรตอย่างนั้นประเดี๋ยวได้โดนไม้เรียวของยายอีกหลักอยู่ดีไม่ว่าดีเสแล้วเอ็งเนี่ยยายขู่เอาอีกแล้วผมแค่พูดเล่นๆไม่เห็นจะต้องเอาไม้เรียวเข้ามาเกี่ยวข้องยายตีจนก้นผมลายพร้อยเป็นหมดแล้วใครมาเห็นเข้าก็จะหาว่าผมไม่บริสุทธิ์ผุดพองยิ่งสาวๆมาเห็นแล้วก็ผมหมดราคาเลยเอ็งพูดอะไร ยายไม่เห็นรู้เรื่องแม้ยายแล้วก็ต้องให้ผมอธิบายขยายความอยู่เรื่อยคนฉลาดเนี่ยเข้าใจอะไรอะไรยากจังนะยายนะหลานชายพูดเน็บแนมหากคนเป็นยายกลับว่าใช่สิดูอย่างพระสารีบุตรนั่นปา ร, รัท่านเลิศในทางปัญญาเป็นผู้มีฉลาดรอบรู้เรียกว่า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 ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยยายอย่าพูดนอกเรื่องสิครับเกี่ยวสีหลานก็เองว่าคนฉลาดเข้าใจอะไรยากยายก็จะยกตัวอย่างเรื่องพระสารีบุตรให้ฟังว่าเพราะท่านฉลาดจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะสหายของท่านเพราะคนฉลาดนั้นต้องคิดนาน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 ยายฟังได้ทั้งนั้นแหละผมไม่อยากพูดหรอกครับแต่อยากให้ยายฟังก็เลยต้องพูดเงี้นก็ว่าไปเลยอย่ามัวพิริพิไรให้เสียเวลายายเริ่มจะลำคาญครับครับผมจะพูดเดี๋ยวนี้คือผมกลัวสาวๆจะมาเห็นว่าผมก้นลายแล้วเขาก็จะคิดว่าผมนะ่ะผ่านการมีลูกมีเมียมาแล้ว ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องมีลูกมีเมียเลยยายแยงเกี่ยวสิครับยายก็ทีผู้หญิงก้นลายผู้ชายเ้ายังรังเกียจก็าหาว่าเคยผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้วหลานชายอธิบายตามปราสาเด็กแก่แดดเองเข้าใจผิดแล้วไอ้หนูคนที่ท้องหลายต่างหากที่ผ่านการมีลูกมาแล้ว ก้นลายไม่เกี่ยวยายเองก็ก้นลายเพราะตอนเด็กๆกหายผอมแต่พอเป็นสาวรุ่นรุ่นเกิดอ้วนปุ๊บปั๊บเนื้อหนังมันขยายไม่ทันเลยแตกเป็นริ้วๆนี่ถ้าเกิดเป็นตรงท้องตาก็คงหาว่ายายใหม่บริสุทธิ์พุทผ้องยายเผลอบอกความลับอย่างนี้นี่เล่า ยายถึงชอบเคี้ยนผมอยากให้ผมก้นลายเหมือนตัวเองแม้ผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่ายายก้นลายนี่ถ้าหากไม่บอกผมก็คงไม่รู้เพราะเห็นยายนุ่งจงกระเบนมิตรชิดปิดบังดีคนเป็นหลานได้โอกาสแก้แค้นคนอายุ8ปเพิ่งจะตะนาหนักชัดว่าตนนั้นฉลาดแต่ไม่เฉลียวถึงต้องเสียรู้คนอายุสิสองผู้ซึ่งฉลาดแกมโกง เออรู้แล้วก็อย่าเที่ยวออกไปเล่าให้คนอื่นฟังล่ะไม่เช่นนั้นยายจะจับเอ็งโยงกับคือเขียนไม่นับเลยยายขู่เพราะเสียรู้หลานไปแล้วครับผมจะไม่ไปบอกใครถ้าไม่เผลอเขารับคาหาก็มีข้อแม้ยายเห็นว่ากว่าจะห่อข้าต้มเสร็จต้องใช้เวลานานา น, นับชั่วโมง จึงอยากเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้หลานฟังถึงเขาจะยังไม่ยอมเชื่อในวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะเชื่อก็เป็นได้ถึงเวลานั้นยายคงจะตายไปแล้วหากก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนแก่ที่น่าบูชาเพราะได้ทำดีไว้กับลูกทำถูกไว้กับหลานไอ้หนูยายจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้เองฟัง เอ็งจะเถื่อหรือไม่ยายไม่ว่าแต่เอ็งต้องฟังเข้าใจไหมครับเมื่อยายบังคับผมก็จะฟังแต่จะเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่ายายเล่าจบผมจึงจะตอบหลานชายอดยั่วซสไม่ได้ยายคร้านที่จะตอบปากตอคคาจึงเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่ยายยังสาวให้หลานฟังไอ้หนู ที่ยายเชื่อเรื่องพระเวสสันดรเพราะเคยฝังพระเทพมาตั้งแต่ยายยังเด็กเพราะยายโตเป็นสาวรุ่นรุ่นก็ได้ฟังจากปากหลวงพ่อช้างเพราะยายทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งปิ่นโตท่านทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกราชาฉันอาหารมื้อเดียว ยายต้องเอาปิ่นโตไปส่งท่านถึงในป่าช้าหรือครับถูกแล้วยายไม่กลัวผีหลอกหรือครับผีอะไรมันจะมาหลอกกลางวันแสกๆล่ะไอ้หนูแล้วถ้าเป็นกลางคืนยายจะกล้าไปหรือเปล่าไปส่งปิ่นโตนะเออพระท่านไม่ฉันกลางคืนหรอกไอ้หนูยายตอบแบบเลี่ยง สมมุติว่ายายทวดใช้ให้ยายเอาเครื่องดื่มร้อนๆไปถวายท่านเช่นน้ำขิงน้ำมตูมอะไรพวกเนี้ยยายทวดเขาไม่เคยใช้ยายไปหาพระกลางคำ่ำกลางคืนแบบนั้นแล้วท่านก็ไม่ดื่มอะไรท่านฉันมื้อเดียวฉันแล้วก็แล้วไม่ต้องมีเครื่องดื่มอย่างที่เองว่างั้นสมมุติว่าท่านอาพาธแล้วยายทวดใช้ให้ยายเอายาไปถวาย ท่านไม่เคยอาพาดหรอกไอหนูท่านแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ยายเลี้ยงอีกคนเป็นหลานไม่ยอมแพ้ถามอีกว่างั้นผมสมมุติใหม่ก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปหาท่านที่ป่าช้าในเวลากลางคืนยายจะไปไหมยายไม่ไปหรอกไอหนูยายเป็นสาวเป็นแซ่ ไปหาพระในยามวิการเช่นนั้นชาวบ้านเขาได้เอาไปนินทากันทั่วบางยายไม่ทำอย่างนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นผมถามยายตรงๆโดยไม่ต้องสมมุติก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปที่ป่าช้าตอนกลางคืนยายจะกลัวผีไหมก่อนไหนเองว่าไม่สมมุติยายเอาตัวรอดอีกจนได้ยายผมชักโมโหแล้วนะเอาอย่างนี้ผมจะถามใหม่ ตอนยายเป็นสาวน่ะยายกลัวผีไหมไม่กลัวยายตอบทันทีถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ายายสามารถไปป่าช้าในเวลากลางคืนได้ไปไม่ได้หรอกหลานเพราะถึงยายจะไม่กลัวแต่ยายก็ไม่กลา้ายายตอบตามตรงเพราะจนมุมแล้วถูกหลานชายต้อนให้จนมุมจนได้ครับยายเล่าต่อเธอผมอยากรู้แค่นี้เอง รู้แล้วว่ายายไม่กลัวไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าเสียงนั้นบ่งชัดว่าย่ะเ ย, ย้ยยายไม่เถียงด้วยไม่มีอะไรจะเถียงจึงเล่าต่อว่ามีอยู่วันหนึ่งยายไปเจอแขกนั่งอยู่ยายก็ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหนวด เคราวมันยาวรุงรังเชียวละไอ้หนูเอ้ยย่ายังจําแขกคนนั้นได้ติดตามาจนทุกวันนี้แล้วหลวงพ่อท่านตอบว่ายัางไงครับท่านบอกว่าแขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานานแล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้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 หลวงพ่อช้างองค์เนี่ยพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมลน้นครับผมเชื่อว่าท่านเก่งยังไงก็คงเก่งกว่าหลวงพ่อเชื้อองค์ที่ทำให้ผมถูกยายตีจนหลังลายนะ่ะไอ้หนูเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นอย่าไปเกียดแค้นท่านประเดี๋ยวเอ็งจะตกนรกเสียเปล่าๆคนดีนั้นเขาจะไม่เพ่งโทษผู้อื่น แต่เขาจะสำรวจตรวจสอบตัวเองว่ายังบกพร่องตรงไหนยังขาดคุณธรรมข้อไหนที่ยายตีเองเพราะเองผิดเองอย่าไปโยนความผิดให้หลวงพ่อเชื้อทันครับครับผมไม่โยนก็ได้นิมนยายเล่าต่อเธอครับหลานชายนิมน์หากไม่ได้ประนมก่อนเพราะมือไม่ว่าง เสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำดังมาจากทางประตูหน้าบ้านตามด้วยเสียงเรียกชื่อยายใครมาเรียกไอ้หนูเอ็งลองไปดูซิยายสั่งเด็กชายละมือจากงานที่ทำเดินเร็วๆออกไปนอกชาญแล้วมองไปที่ประตูรัว้วเห็นเด็กหญิงมะลิยืนอยู่กับนางเมาส์ก็ใจ่อรู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ จึงรีบวิ่งลงเรือนไปยังประตูหน้าบ้านน้ามาทำไมไม่มีใครอยู่บ้านหรอกผมอยู่คนเดียวเขารีบบอกรู้ว่านางเมาจะต้องมาฟ้องยายเรื่องที่เขาแกล้งลูกสาวของงางแล้วยายเองไปไหนมานดาของเด็กหญิงมะลิถามอย่างเอาเรื่องไปตลาดครับคงกลับค่ำ นะาอย่าคอยเลยวันหลังค่อยมาใหม่ไม่ได้ข้ามีเรื่องด่วนที่ต้องชำระกันในวันนี้รอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เอาเถอะขอข้าขึ้นไปนั่งรอบนบ้านก็ได้นางพูดเสียงคุณอย่าเลยนะเสิเวลาเปล่าๆบางทีย้ายอาจจะไม่กลับถ้าค่ำ ม, มากแกก็แวะไปนอนบ้านแม่ผมเด็กชายบ่ายเบี่ยงถ้าเช่นนั้นข้าจะรออยู่นี่ก่อนถ้าค่าแกยังไม่มา ก็จะตามไปบ้านแม่เองผมว่าไปรอที่บ้านแม่ผมดีกว่าเห็นยายว่าจะค้างที่นั่นเด็กชายพยายามปัดสวะให้พ้นตัวถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้นางเมาพบกับยายมาลิเอ็งพาแม่เอ็งไปบ้านแม่ข้าเถอะไปเขาสั่งเพื่อนเด็กหญิงไม่พูดหักค้อนใส่เขาด้วยชังน้ำหน้าเจ้าเด็กผมแกะผู้นี้ทําให้หล่อนต้องอับอายเพื่อนฝูงหล่อนร้องไห้จนตาบวมเป่ง คิดจะไม่เล่าให้มันดาฟังแต่ก็ถูกผู้เป็นแม่ซักไซจนต้องเล่ายายนั่งรอฟังข่าวอยู่เห็นหลานหายไปนานจึงเดินออกมาดูที่นอกชาญเอา้าแม่เมาหรอกหรือเจิญก่นหมาบนบ้านก่อนนั่งเมาจ้องหน้าเด็กชายอายุสิบสองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อ แล้วจึงเดินเข้าประตูมาเด็กชายคิดจะเรียกให้สุนัขสองตัวมาไล่กัดแต่นางด่างกับนางดำคงไม่ยอมร่วมมือด้วยเมื่อเห็นว่านายยืนคุยกับผู้มาเยือนมันสองตัวก็กลับไปนอนพักผ่อนด้วยกำลังกินกำลังนอนเด็กหญิงมะลิเดินตามมารดาขึ้นมาบนเรือนโดยมีเด็กชายเจริญเดินคอตกรังท้ายเด็กผมแกะนั่งลงทางานต่อ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากใจนั้นเจียนจะขาดอยู่รอนรอนรู้สึกสงสารยายที่ต้องมารับฟังความร้ายกาจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเขาตกลงปลงใจว่าจะไม่หนีครูไปยิงนกตกปลาเพราะกลัวจะสอบปอสีไม่ผ่านเขาก็ทําได้ตามนั้นแต่ก็มีอันถูกครูทําโทษแทบทุกวันอย่างวันนี้ก็ถูกเคี่ยนถึงเครื่องโหลเพราะเป็นหัวโจก ด้วยเพื่อนผู้ชายเปิดกระโปรงเพื่อนผู้หญิงแรกๆเจ้าพวกนั้นไม่ยอมทำตามเขาจึงใช้คารมอันคมคายพูดหวานล้อมจนเพื่อนๆยอมจำนวนถ้าใครทำไม่ได้คนนั้นหน้าโตเมียให้ไปเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งเสียจะได้เป็นเพื่อนกับอีจ้อยมันเท่านั้นเองบรรดาเด็กชายที่ปากยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้านมก็พากันทาตามบัญชาของผู้นา พวกนักเรียนหญิงพากันร้องวีดไว้ด้วยอับอายขณะที่นักเรียนชายพากันหัวเราะชอบอกชอบใจแล้วทั้งผู้นำและผู้ตามก็ถูกครูลงโทษด้วยการเคียนเด็กชายเจริญจรุนรัดโดนหนักกว่าเพื่อนไปไหนกันมาไอ้หนูเอ็งไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงแขกไป คนอายุแปดสิสั่งหลานชายไม่ต้องฉันไม่อยากกินของมันไอโจรห้าร้อยนางเมาด่าหลานต่อหน้ายายอะไรกันแม่เมามาถึงก็าทาหน้ายากหนามานเรื่องอะไรมาด่าหลานฉันอย่างนี้มันไปปล้นไปฆ่าใครเข้ามาหรือแม่เมาถึงเรียกมันอย่างนั้น ยายพูดอย่างไม่พอใจรู้ว่าหลานชายตัวดีจะต้องไปก่อเรื่องไม่ดีไม่งามเอาไว้แต่ก็คงจะไม่ถึงกับไปปล้นไปฆ่าใครเขายายรู้จักหลานของยายดีนางเมาส์เห็นยายเข้าข้างหลานยิ่งโกรธหนักขึ้นนางขู่ว่าถ้าป้าเล่นเข้าข้างหลานแบบนี้ฉันไม่พูดด้วยก็ได้ดีละฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านดีกว่านางทำทีลุกขึ้น คิดว่าอย่างไรเสียยายจะต้องทัดทานไว้ไปเลยแม่เมาถ้าผู้ใหญ่บานเขาไม่รับฟ้องได้ไปฟ้องกันันก็ได้ยายท้าถ้ากำนันเขาไม่รับฟ้องนะาไปฟ้องในอำเภอนะนะเห็นผู้เป็นยายเข้าข้างเด็กชายก็มีกำลังใจจึงพูดย่วนหนังเมาไอ้หนูเรื่องของผู้ใหญ่ เองอย่ายุ่งเด็กก็อยู่สวนเด็กยายปรามนางเมาส์เห็นยายเอาจิงจึงนั่งลงพูดออมชอมว่าป้าฉันน่ะไม่ได้กรดเครื่องอะไรป้าหรอกนะแต่ล้านชายป้ามันมาแกล้งลูกสาวฉันป้าไม่รู้อะไรเจ้า น, นี่มันร้ายกาศนักคนเขารู้กันทั้งบ้างว่ามันเกเรป้าเองเป็นคนดีมีศีลธรรมฉันไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเออกไปนินทาว่าล้านใหญ่จัง เป็นไอ้มหาโจรทั้งทั้งที่ยายจ่างถือศีลกินเพนใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไงฉันไม่สนใจหรอกจักแม่เมาสพระพุทธ อ, องค์ท่านสอนว่าเราห้ามการนินทาไม่ได้คนที่พูดมากก็ถูกนินทาคนพูดปานกลางก็ถูกนินทา คนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาการนินทามันมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตแล้วก็จะยังมีต่อไปในอนาคตฉั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาจะ้ะยายถือโอกาสเทศโปรดสองแม่ลูกเอาเถอะเอาเถอะป้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่หลานป้าสิ มันมาแกล้งลูกสาวฉันให้ต้องอับอายว่าต้องลงโทษมันให้ด้วยไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมไอ้หนูมันไปทำอะไรเองรือีอหนูยายถามเด็กหญิงมะลิลูกสาวนางเมาไม่ตอบหักร้องไห้กระสิกกระสิบยายจึงหันไปเล่นงานหลานชายตัวดีไอ้หนูอิงไปทำอะไรลูกสาวเขาผมเปล่าทำนะครับยายเพื่อนผมทำต่างหาก เด็กผมแกละแก้ตัวก็เองนั่นแหละตัวดีเองไปยุพวกมันมันไม่ทำเองก็ว่ามันน่าตัวเมียเด็กหญิงชี้หน้าว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเด็กชายคิดว่าคงจะต้องถูกยายทำโทษหากก็ผิดคาดเพราะยายพูดเสียงปกติว่าลูกครูเขาว่าอย่างไงบ้างอีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิ เขาเคียนจะยายเขาเคียนมันหกทีเพื่อนๆ น, นมันโดนกันคนละสามทีอ้าวมันก็ถูกลงโทษแล้วนี่นาะแล้วแม่เมาสจะให้ฉันทำอะไรอีกฉันว่ามันยุติธรรมแล้วนะไอ้หนูเองถูกเขียนตรงไหนที่ขาครับพูดพร้อมกับยืนหันหลังให้ยายดู ยายเห็นริ้วแดงๆเรียงห้าถึงหกริ้วบางริ้วก็มีสีเขียวคล้ำๆนางเมาเห็นแล้วก็ใจอ่อนจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่างหัวมันเถอะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้แกว่าไปแล้วอีหนูมันก็ยังดีกว่าเพื่อนๆของมันตรงที่มันยังใส่ตัปปิ้งส่วนเพื่อนๆของมันไม่ได้ใส่ตปิ้งเงินหรือทองจ๊ะยายถามอย่างสนใจ ด้วยยายเองก็มีเก็บไว้หลายอันเงินจ้ะคืนให้ใส่ตะปิ้งทองคนเขารู้แก้วจะได้มาทุบหัวมันน่ะสิฉลาละนะป้านางเอ่ยลาแล้วลุกลงเรือนไปพร้อมกับลูกสาวเด็กชายเดินไปส่งถึงประตูบ้านอุดสายยกมือไหว้ขอบคุณที่นางไม่เอาเรื่องแต่นางเมาส์กลับว่าเอากองไว้นั่นแหละข้าไม่อยากรับไหว้อิโจห้าร้อยนางผู้สะบัดสะบัด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 เพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วทุกเม็ดที่ต้องต้มนานเพราะข้าวเหนียวที่นามาใช้ทำข้าวต้มหัวงอกนั้นไม่ต้องนำไปผัดกับกะทิเสก่อนเมื่อต้มสุกดีแล้วข้าวต้มทุกมัดจะถูกตักออกมาเรียงใส่กระดง้งทิ้งค้างคืนไว้พอตีห้าแกก็แก้ใบตองออกโรยด้วยมันพร้าวขูดที่คลุกกับเกลือป่อนเล็กน้อย ฝีมือทำข้าวต้มหัวหอกของยายนั้นนับว่าเป็นเลิศในตำบลจึงขายหมดก่อนเจ้าอื่นแต่ยายก็ไม่ได้ขายทุกวันนานๆจึงจะแสดงฝีมือสักครั้งยกปี๊บข้าวต้มลงจากเตาและตักออกมาริยงในกระด้งแล้วยายจึงสั่งหลานชายว่าไอ้หนูเอ็งไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายทีสิเอามาทำไมละยายหลานชายถาม รู้สึกเสียวๆที่ก้นจะทำโทษเองที่ไปเปิดกระโปรงลูกสาวเขาผมไม่ได้เปิดเพื่อนมันเปิดทั้งหานั่นแหละถึงเองจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าจีกรรมกับมโนกรรมก็เป็นของเองฉะนั้นเองจะต้องได้รับโทษคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่ทำอีก ก็ครูก็ทำโทษผมแล้วนี่ครับและผมก็ได้ให้สัญญากับครูแล้วว่าจะไม่ทำอีกแต่เองยังไม่ได้ให้สัญญากับยายผมให้สัญญาครับว่าจะไม่ทำอีกไอ้หนูถึงยังไงยายก็ต้องเขียนเองไม่เป็นไรครูเขาเขียนที่ขาแต่ยายจะเขียนที่กล้นจะได้ไม่ซ้ำร้อยเดิม ดีเท่าไรแล้วที่ไม่ทําโทษเองต่อหน้าคนอื่นยายอุตสาหพูดเอาวุญเอาคุนนั่นเพราะยายกลัวผมจะไม่ช่วยหอ่อข้าวต้มให้เสร็จต่างหากละ่ะหลานชายรู้เท่าทันแต่ตอนนี้ยายห่อข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องกลัวว่าเองจะไม่ช่วยไปหยิบไม้เรียวมาเด็กชายผมแกะผู้หน้าสงสาร จึงต้องเดินเสื่องๆไปหยิบไม้เรียวตามคำบัญชาของผู้ป็นยาย